ธรรมชาดกแผ่นที่11ดลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26มกราคม2558 ม, ม, มีชื่อเรื่องว่าพระสาลี บ, บุตรโปรดมารดาวันนี้เป็นวันจันทร์วันที่26 ม ก, กราคมพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันจันทร์เมื่อวานตอนบ่าย2โมงครึ่งหลวงพ่อได้ขึ้นไปไประชุมหารือกันที่วัดป่าภูก้อนมีท่านเจ้าคณะจังหวัดหนองคายหลวงพ่อเลิศแล้วก็เจ้าคณะอำเภอบ้าโสม หลวงพ่อบุญมีแล้วก็หลวงพ่อชาลีแล้วก็หลวงพ่อแล้วก็ผู้กากับแล้วก็คุณอูดเจริญโฮเต็นเมื่อวานอารือเกี่ยวกับที่จอดรถผูกก้อนคนมันขึ้นเยอะคนมันขึ้นผูกก้อนไม่รู้จะ เอาอยัางไงวันเวยังไงจอดรถยังไงถ่ายเทคนขึ้นไปยังไงเลยไปหาหรือกันเมื่อวานก็สถานที่ก็กว้างขวางอยู่กอไปดูพื้นที่แล้วก็คงจะปรับพื้นที่ให้เข้ากับ น, นัปรับนิดหน่อยก็คงจะถมดินบ้างก็งเลยบอกมอบให้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 เพราะนั้นเราเป็นเจ้าของท้องถิน่นหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นล ห, ลลปลหลวงหูหลวงตาแค่ว่าหลวงปู่หลวงตาเล่าหลวงหูหลวงตาอยู่ในถิ่นนี่ก็ช่วยช่วยกันคิดนะเมื่อ <c oughs> วานก็ได้ขึ้นไปหารือกันก็คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ได้ในระดับหนึ่งที่ถ้าทําต่อย่างที่เมื่อวานนี้นะคงจะจอดรถได้ประมาณ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 ต่อไปไม่รู้จะเป็นยังไงมันขึ้นขึ้นลงลงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานคนก็นเลยเสียงไอคอกแคกเห็นมากต่อมากเป็นหวัดเป็นไอเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลงแต่ที่ยังไงก็จะทำยังไงได้เราอยู่ใต้ฟ้าต้องรักษานะรักษาสุขภาพพวกเราทุกๆ ท, ท่าน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 อันไหนควรไม่ควรสมัยครั้งพุทธกาล พ, พระสงฆ์ทั้งหลายชมพระสารีบุตรเมื่อวานในหลวงพ่อพูดถึงพระสารีบุตรนะวันนี้ก็หลวงพ่อจะพูดถึงอัครสาวกข้างขวาของพระพุทธเจ้าพร ะ, พระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาเลิศกว่าในบรรดา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 พระ ส, สงฆ์ทั้งหลายชื่นชมว่าเป็นผู้ไม่แสดงอกับกริยาความโกรธพระพุทธองค์ทราบข่าวทั้นก็นแน่นบอกว่าสารีบุตรไม่ใช่ธรรมดาท่านเป็นผู้อดทนเป็นผู้มีคติเป็นผู้มีปัญญาในที่ต่างๆที่ผ่านมาแล้ว วันหนึ่งในกรุงราชาคักขพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่วัดป่าเวลุวันในกรุงราชาคักขนะ่ยคือแม่ของท่านพระสารีบุตรในอยู่ที่นารกะเนะีเมืองนารกะนารันทานะนารกะนะอยู่ติดใกล้กับกรุงราชาคักขเป็นเศรษฐนะีแม่พระสารีบุตรไม่ใช่ธรรมดานะี่แม่พระสารีบุตรเป็นแม่พระโมคคาราเนะี่ย ต ร, ร, ะระกูลพ ร, ร, ระมกขรากัตะกูลภาษาญี่ปุ่นเป็นตระกูลสองตระกูลคู่กันมีสัพแปดสโกดเหมือนกันบอกแปดสิโกดโกดนึ่งมากขนาดไหนโกดหนึ่งก็สิบล้านหนึ่งแสนล้านโกดสิ0หมื่นเป็นแสนสิบแสนเป็นล้าน10ล้านเป็นโกดคนตะกอนเขานับเป็นโกด80โกด เอาสิบคูณเข้าไปเลยเป็นเงินเท่าไหร่ท่านจะว่าเป็นเศรษฐีแต่มีท่านมีพี่น้องอยู่เจ็ดคนนะพระสารีบุตรท่านเป็นคนหัวหัวปีเป็นคนโตพ่อแม่ก็หมายมั่นปั้นมืออยากให้จะให้ลูกคนโตเนี่ยเป็นผู้ครองสมบัติผ่านน้องๆทั้งหลายดูแลสมบัติแต่ ภาษารีบุตรเนี่ยท่านออกบวชซะท่านเบื่อโลกไปดูเขาเล่นการพนันแอปเล่นการการละเล่นไปดูการละเล่นไปดูคอนเสิร์ตอย่างนี้ลักษณะอย่างนั้นหมอรำหมอร้องหมอรำดูคอนเสิร์ตอย่างนั้นะแต่ก่อนก็สนุกสนานเอาเทปให้เขาเอาพวงมาลาลงไป แขวนข้องให้เขากับพระโมคคลานั่งเก้าอี้สูงๆในเป็นหัวหน้าบริวารก็เต็มมันคนละห้าร้อยคนสมัยนั้นแต่วันนั้นพระโมคคลาสาริบุตรเห็นคนทั้งหลายสนุกสนานเพิดเพลินเอฮะกระโดดโลดเดต้นเข้ามาตะกรอนเนาโอ้ออแสดงอากับกิริยา ลงไปทิพย์ให้รางวันแต่วันนั้นพระโมกขาลากรสาลิบุตรเห็นแลยเฉยไม่สนุกเวกนันั่นห่ะบุญบารมีบุญบา ร, ร, ร, รมีเข้ามาถึงแล้วไม่สนุกเห็นแล้วพอเสร็จแล้วกับพระโมกัาลาเลยถามเอ๊ะท่านสรีบุตรทาไมเธอท่านจึงไม่แสดงอากัปกิริยาเหมือนครั้งก่อนๆคราวก่อนๆทำไมจึงทาเงียบมันวันนี้ เออผมมันแปลกเหมือนกันนะโกคลานะผมเห็นแล้วมันไม่รู้จะสนุกไปเพื่ออะไรเพราะทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยการมันตายทั้งหมดมันระลึกถึงความตาย ấy. ก็ไม่รู้ว่าจะไปสนุกไปเพื่ออะไรสนุกไปเพื่อตายไอ้สักวันนึงก็จะตายอยู่แล้วคนที่กระโดดนะั่นแหกระโดดไปนะั่นแหะประโดดเพื่อไปหาความตายอีก สนุกไปหาความตายเฮ ห, หาไปถึงความตายถึงความตายแล้วมันมีอะไรจะทำยังไงตามไม่จริงจะทำยังไงจึงจะไม่ตายนะเนควรจะหาช่องทางนั้นนั้นมากกว่าที่จะมาสนุกสนานลุ่มหลงอยู่อย่างนี้นะแล้วก็ผมก็เห็นคุณเหมือนกันนะทำไมคุณก็เงียบเงียบเหมือนกันวันนี้วะไม่เหมือนครั้งก่อนๆผมก็แปลกใจเหมือนกันนะเมื่อคุณถามผมก็ถามคุณบ้างลักษณะอย่างนั้นนะ พระโมคขาลาเอยใช่ผมกว่าคิดอย่างนั้นเหมือนกันเออปะ่ะถ้าอย่างนั้นพวกเราออกบวช ด, ดีกว่าวะไปหาที่หาแหล่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดีกว่า น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือบุญบุญบารมีเก่าเข้ามาถึงนะมันเป็นอย่างนั้นนะคล้ายๆมันรู้เท่ารู้ทันรู้สึกในความรู้สึก เออแต่ก่อนมันสนุกแต่มันรัแล้วมันไม่สนุกฮะจากนั้นท่านก็เลยไปบวชเป็นลูกน้องสันชัยปริพาชกศาสนาหนึ่งในกรุงราชคือที่เป็นศาสนาใหญ่จากนั้นท่านก็ได้ฟังธรรมเทศนาประจชิชิต่อมาท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันในเมื่อท่านเป็นสําเร็จเป็นพระหรหัน์น่ยท่านมีบริาวาร500อยู่นะส า, ารีบุตร แล้วก็พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าตอนที่พระราหุนอายุเจ็ดปีเข้ามาขอซับพบปยกรจากพระพุทธเจ้าขอข่มขุมทรัพย์จากพระพุทธเจ้าประบอกว่าราหุนเธอจะเอาโล ก, กียาทรัพย์หรือจะเอาโล ก, กุตละทรัพย์หรือโลกนั่น พลาหุนก็คงจะถามอยู่เป็นเด็กอายุเจ็ดขวบอันไหนดีไปเจ้าข้าโปรโงโลกกุตละทรั์เหนืเลิศประเสรดกว่าโลกียทรัพย์มันหมดเป็นใช้ใจ่ายมันก็หมดโล ก, กุตระทรั์เนี่ยอยู่ในจิตใจนะไม่มีวันหมดควรจะเอาโลควรจะเอาโล ก, กุตระทรั์ดีกว่านะโลกครับผมกอเนี่ยเอาสารีบุตรเอานำลาหุนไปบวชซะ สําเป็นสมัมมาเนนพะระพุทธเจ้าก็เลยมอบให้ภาษารียบุตรเป็นพระอุปชาพนะระพองค์ไม่ได้บวชเองนะนะมอบให้พระลับภาษารีบุตรเป็นผู้กํากับดูแลพระราหุลจากนั้นภาษารีบุตรก็เป็นผู้ดูแลกํากับเหมือนกับลูกตนเองหลักฐานน ะ, นะนะเป็นลูกบุญธรรมหนละนะนะักฐานนพระพุทธเจ้ามอบให้แต่ก็เป็นประชาม ไปที่ไหนท่านก็เอาไปด้วยเลี้ยงดูอาหารการบริโภคอะไรๆทุกอย่างดูทั้งหมดเนี่ยเที่งวันหนึ่งภาษาเลบุลท่านไปพากันโคงจะคิดถึงแม่นะ่ยมั้งท่านเลยพาพระสงฆ์ไปบินทบาทไปก็เลยไปผ่านๆมือพระสงฆ์ตั้งห้าร้อยใช่มเข้าไปก็เลยไปหาบ้านคุณแม่ ปลาเหล่าหุ่นเป็นเนน้อยก็ไปด้วยพอเข้าไปในบ้านแม่เห็นเท่านั้นแ่ะคล้ายๆกับ อ, อลูกชายคนโตแล้วกับน้องๆก็ไปบวชหมดพาน้องไปบวชหมดแม่เนะี่ยก็อยู่นั่นแ่ะอยู่กับบริวารนนะโมโหพอเห็นลูกชายเข้ามาเท่านั้นแ่ะแม่ทั้งที่จะมีศรัทธาเนะี่ยหนึ่งความโมโหมีอยู่นะเออโหลูกเอย เอไปหาขอที่อื่นหาขอกินข้าวที่อื่นไม่ได้เนาะไปหาขอเศษขอเด่นจากคนอื่นไม่ได้เนาะกลับมาบ้านอแล้วเนี่ยสมควรอจิจินข้าวกินอาหารเนยไม่ควรจะกินในกระบวยหรอกกินในก้นกระบวยก็พอแบบกระบวยคือทับ พ, พีนะ เ, เข า, าตะ b u o กระบวยตั ก, ต, กตักข้าวตักแกงคนโบราณเนะ่ใช้กระ buoy แต่นี้กับทุกร้านทุกวันทัพพีนะทับพีตักแกงนะอย่าไปหากินอยู่ในทับพีกินในก้นทับพีได้หลังทับพีกับพอแล้วและแม่ภาษาริบุตตะอคอกให้ลูกาเธอเนี่ยท่านเนี่ยทำให้จีบหายตระกูลจีบหายเงินถังแปสิบกอน้องๆกบหนีไปบวชมดท่านเนี่ยเเป็นผู้พานาไป ท่านให้ตะโกนจีพหายทางทางตักอาหารให้ด้วยทางด่าลูกชายไปด้วยแม่นะพระฉารีบุตรก็ใช๊ทยทางที่บริวารตัวเองทั้งห้าร้อยอยู่เน๊ะเออแล้วกตะคอกดา่าพระเองเนี่ยพวกท่านทั้งหลายนเนาะได้ลูกของข้าไปแล้วได้สาริบุตรไปแล้วได้ขี้ข้าไปแล้วนี่และ พวกท่านทั้งหลายก่อนนะเออดีดีเนาะเออเอได้หัวหน้ า, าพวกท่านทั้งหลายไปเนี่ยก็ตักตักอาหารถวายพระเหล่านั้นอีกเยพระเหล่านั้นก็ไม่พูดก็มองมีแต่มองหน้ามองหน้าลูกพี่ลักษณะอย่างนั้นมองหน้าท่านสรีบุตรพอฉันอย่างหานเสษแหละเออ พอรับได้อาหารจัดนั่นแหะภาษาลิบรตก็ไม่พูดใหม่เอีอพราามอะไรเลยเป็นน่ยเสร็จแล้วก็กลับวัดป่าเวลุวันพอกลับมาแล้วก็พระพุทธองค์ก็ท่านคงจะรู้เป็นภายในนะท่านก็เลยถามจำเนรลาหุนน่ยลาหุน เ, เธอไปรับบินเบาต ท, ที่ไหนวันนี้ราหุนก็บอกว่า ข้าพระองค์ไปกับพระอุปชาอไปรับอาหารที่บ้านของคุณย่านะอะพระละหุนพระละหุนเรียกแม่ของท่านสารีบุตรนะเป็นคุณย่านะให้ความเคารพเพราะว่าอพระลาหุนนี่ถือว่าพระสารีบุตรนี่ถือว่าเป็นพ่อพ่ออพ่อนะั้นพ่อบุญธรรมอนะ่ะท่านก็เรียกว่าไปรับบิณฑบาตบ้านคุณย่าครับผมเออไปไง บ้านคุณย่าคุณย่าโอภาปาสัยกับท่านชริบุตรดีไหมพระลาหูนก็เลยเล่าเล่าเล่าให้ฟังอย่างที่ว่านั่นนะออทีนี้ก็ท่านแล้วไอ้สาริบุตร อ, อาจารย์อุปชาของเธอเนะี่อตอบคุณย่าว่ายังไง 阿拉หุนก็บอกว่า พ, พระอุปชาของข้าบของข้าพระองค์ไม่ได้ตอบว่าอะไรพอเห็นญาว่าอย่างนั้นแล้วก็พระอุปชาก็นิ่งเฉยอพอนิ่งเฉยแล้วก็พอฉันจังหันแล้วก็กลับเลยก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรครับผมอืมแต่นีนพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยที่ไปด้วยกับโท่านพัสสาลิบุตร ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยเป็นผู้อดทนจริงๆขนาดแม่ด่าต่อหน้าหมู่พวกเพื่อนมากมายท่านไม่แสดงอากัปกิริยาโกรธโมโหโกรธาให้แม่ท่านเลยท่านชฉยเหมือนกับด่าแผ่นดินลักษณะอย่างนั้นจิตใจมั่นคงจริงๆพระสงฆ์สนทนากันพระพุทธเจ้าเสด็จมาถามว่าพระสงฆ์ทั้งหลายพวกเธอสนทนากันเรื่องอะไร พรสงท์ลายกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าตอนเช้าวันนี้พระสารีบุตรไปรับอาหารจากโยมแม่ของท่านโมนโยมแม่ของท่านก็เลยว่ากล่าวเจ็บเจ็บให้กับท่านแต่ท่านสารีบุตรเนยท่านเฉยท่านไม่ได้ต่อต้านไม่ได้พูดอะไรกับโยมแม่ท่านเลยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระพุทธองค์บอกว่ า, วานี่แหละ สารีบุตรของเราท่านสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาท่านตัดความโกรธได้แล้วท่านตัดตัณหาได้แล้วความโกรธของท่านไม่ฟูคลายคลายว่า ไ, ไม่พยองฮตัณหาของท่านคือความพยายาอยากก็ไม่ไม่พยองท่านตัดออกจากจิตใจได้แล้วเราจึงเรียกท่านผู้ใดก็ตามถ้าทําได้อยังงั้นแล้วเราว่าเป็นพราหมณ์ ก็ว่าพราหมณ์คนนี้คือเป็นผู้ลอยบาปลอยความชั่วออกจากจิตใจเขาว่าพราหม์แท้นะถ้าพราหมณเทียมก็ยังบ้าเ น, นี่ยถ้าพรามหมณ์แท้นะก็คือเป็นผู้ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะพระพุทธเจ้าว่าเรียกว่าพราหมณ์นี่แหละอันนี้ก็คือการยกย่องภาษาริบุตรเป็นตัวอย่างที่ดีนะสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าเป็นผู้ใหญ่ว่าให้ จะแดง ก, กับกิริยาเนะี่ยพวกเราในฐานะั้นลูกๆอหรือว่าผู้น้อย เ, ออเราก็ควรจะเงียบไว้ก่อนจนกว่าวันไหนมีโอกาสเราจึงค่อยเขาไปชี้แจงบอกกล่า ว, วาเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเรื่องราวมันผ่านไปแล้วนะถ้าไม่สาคัญไม่จําเป็นก่อนมันจบๆไปเล ย, ยมันแล้วๆไปแต่ถ้าว่ามันมีเรื่องที่จะต้องชี้แจงก็ยังค่อยว่ากัน แต่ถึงยังไงก็ตามท่านภาษาริบุตรนี่นะกับโยมแม่ของท่านท่านไม่ได้ปล่อยปาละเลยนะถึงแม่ท่านจะพอใจไม่พอใจยังไงะแต่ท่านก็ยังรักรเคารพอย่างเมตตานะโยมแม่จะช่วยเหลือโยมแม่ได้อย่างไงนาะทไมโยมแม่จะไปหาติดอยู่ในเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องเงินเรื่องทองมันเอาไปด้วยไม่ได้ดอกในใจของท่านท่านมีจะให้ธรรมะน่ อย่างที่พระพุทธเจ้าอย่าไปเอาโลกิโลกิยะด้านโลกนะ่ะเอาโลกุตละนะ่ยประเสริฐกว่า น, ะนี่แหละภาษาริบทูท่านอยากจะให้แม่ท่านได้โลกุตละนะเมื่อโค้งสุดท้ายนะ่ยท่านก็ไปป่วยหนักภาษาริบูรป่วย <c oughs> ท่านจะไปปรินิพานที่ในห้องประสูตร <c oughs> ในห้องประสูตรของโยมมันดาของท่านนะอยู่ที่บ้านนารกะนะ พอไปภิกษุ500ลาพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าอนุญาตอไปตามการอันควรของเธอเธอณนะสาริบุตรคือพระอ克拉สาวกแต่จ้องปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้านะตามประเพณีในนะครั้งครั้งพระพุทธเจ้าองค์ ก, ก่อนนะท่าดนดูอดีตแต่ชาติของท่านนะพระอ克拉สาวกต้องปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้าแต่นี้พระสาริบุตรก็เข้าไปการาบพระพุทธเจ้าขอลาปรินิพานนะ ท่านจะไปปฏินาพานที่ไหนนี่ะไปที่ห้องห้องประสูติห้องเกิด ท, ที่เบื้องที่บ้านนาละกะพอไปถึงก็โยมแม่แตะมาข อ, อมาพักที่บ้านน ะ, ะโยมแม่ก็เอ้ยแกขนาดนี้ได้ยังค่อยมานะนะเนาะลูกเนาะอายุตั้ง80บแล้วแต่ก่อนไม่มาเพิ่งจะมา รู้ว่าเป็นบ้านตัวเองจะมาพักเหรอเออเอาเอาตมาขอพักในห้องเนี่ยห้องที่แม่คลอดนั่นแหละออห้องคลอดเจ้าห้องไหนอาตมาขอพักพักห้องนั้นเอาจัดให้เพอาลูกชายมาจะขอพักที่บ้านแม่ก็ดีใจหเองพ่อท่านสุขจัดที่ให้เลยก็พระสงฆ์ก็นั่ง เ, เป็นสองข้างพระตาริบุตรนอน พอนอนอาการโรคของท่านกรรมเริบขึ้นมาเลยแตนี่เออเนี่แหละพระอรหันจะทิ้งขันมันทิ้งไม่ยากนะเออที่ท่านจะตายเนี่ยที่ว่าท่านจะทิ้งขันทิ้งไม่ยากพอลงไปแล้วก็ป่วยพอป่วยเสร็จแล้วก็เ อ, อถ่ายดําถ่ายแดงออกมาเลยแต่ น, นี่เออพอตกตอนหัวคำนะ่ำแม่ก็มองเห็นบอกว่าภาษาริบุตรป่วยแม่ก็ไม่สบายใจนะเออว่าป่วยมามาป่วยมั้ย พระสงฆ์ก็พแม่ก็มองทางประตูห น, นึมองเห็นเนี่ยพระสงฆ์ก็นั่งล้อมล้อมอยู่วงอยู่พอตกตอนค่ำเทวดาลงมาเขามาเป็นหมู่แม่ก็ถามว่านี่เป็นใครเทวดาโอ้โหสวยงามมากคนกลุ่มนี้ต่อมาเห็นพระอินทร์มาอีกสีเขียวอีกนี่เป็นใครพระอินทร์โอ้ลูก ใหญ่กว่าพระอินใช่ไหมใช่อาตมาใหญ่กว่าพระอินทต่อมาถึงเที่ยงคืนพรมลงมาเโอ้พรมยิ่งสวยกว่าพระอินอีกสีนวลจนบอกไม่ถูกอันนี้เป็นใครเนี่ยทำไมสวยมากลูกอันนี้คือพรมอ้าวคือพรามเขาถือว่าพรมหรือใหญ่สุดใหญ่สุดกว่า เ, เป็นตระกูลของพรามแอันนี้ พรมยังมากราบภาษาริบุตรอีกกราบลูกของตนเองเลลูกใหญ่กว่าพรมใช่ไหมใช่อาตมาใหญ่กว่า เ, เป็นใหญ่กว่าพรมเห็นไมพรมลงมากราบเนี่ยนะอพอพูดเท่านั้นละ่ะแม่นี่หมดทิฏฐิมานะ่ห ม, หมดทิฏฐิมานะโอ้โหลูกของเราไม่ใช่ธรรมดานะ เ, เหนือกว่าอินกว่าพรมไปอีกเพราะท่านเป็นพระหันหมดกิเลส อินพรมทั้งหลายยังมีกิเลสราคาโทสะโมหะอยู่แต่พระอรหันต์นี่หมดราคะโทสะโมหะเลิศ ก, กว่าพรมพระนางนางก็เลยสยบภาษาริบุกก็เด้เทศให้ฟังโอโยมันดาอย่าไปติดข้องกับโลกวัตตะสงสารเหลืองลาบเหลืองยศนะในร่างกายเป็นอเนจังทุกขังอนาัตตาทั้งกเทศไตรลักษ์ให้ฟัง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 ก็สอนไม่ขึ้นทิฏฐิมานะสูงกว่าสอนไม่ได้เนี่ยนะไม่ทุกคนไม่ใช่จะสอนได้ทุกคนนะเพราะนั้นพวกเราคณะจัทธาญาติโยมลูกหลานพระเนทุกองนะสรุปแล้วก็คือให้ยอมรับฟังเหตุผลเหตุผลอยู่ตรงไหนเราควรจะฟังไม่ใช่ว่าดันทุลังเออมันดันทุลังมัน มีแต่ไปทางชั่วเยอะมากกว่าถ้าเขาบอกเป็นผู้ฟังไฝในการศึกษาไฟในการฟังไฟในการเรียนรู้อันไหนคือหลักเหตุผลอันไหนคือถูกต้องอันไหนคือผิ ด, ผ, ดผิดถูกรู้ไหมผิดถูกควรไม่ควรนี่แหละสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาดูดูตนเองเอ สงกระจกขึ้นมาแล้วก็ดูดูตนเองคับหลักธรรมคือกระจกะแล้วก็ตัวของเราเนี่ยจะมองในกระจกะเราจะเราควรจะปรับปรุงแก้ไขกายวาจจใจของเราอย่างไรที่มองมองอมองดูในกระจกแล้วนะเหมือนกับเรามองในกระจกเราเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นฝีเป็นที่ไหนเราก็ดูแกะออก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 เราควรจะทำตัวให้ดีขึ้นนี่แหละกระจกเงาคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่นพ่อได้กล่าวเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆกท่านนะผูดทั้งนี้ทั้งนั้นถูงพ่อผูดแต่ละวีแต่ละวันก็เพื่ออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายสานึกนึกคิดปรับปรุง